ช่วงต่อไปนี้ถ้ายังมีใครติดตามอยู่ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามถ้าใครอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้ผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาตโต194คน YouTube พระสุชาติไลฟ์สยคน y o u t u ด็อกเตอร์วีแชนนลวิทยุออนไลน์8 c l คลับฮาสผู้รับฟังธรรมะหน้ากุฏิ180คนรวมทั้งหมด643บครับ okay. ถามได้เลยถ้ามีคำถามมีคำถามจาก บ้านครับสองคำถามคําถามแรกถ้าเราไม่ชอบใจกับบางการกระทําแล้วเราก็ตอบโต้การกระทํานั้นเช่นเขาคุยกับเราแบบหมางเมินเราก็ตอบโต้ด้วยอาการหมางเมินบ้างเช่นกันซึ่งลึกๆเราก็สะใจที่ได้ตอบโต้อย่างนี้เราก็ถือว่ามีโทสะไหมครับก็เราต้องรู้เองอะเรามีโทสะหรือเปล่าคนอื่นรู้ไม่ได้อ คำถามที่สองการที่เราทําอะไรด้วยความสะใจควรทําหรือไม่ควรทําครับหรือที่ถูกเหมาะที่ถูกที่ควรต้องตามต้องทําตามธรรมเราควรคิดควรทําอย่างไรครับเคืออย่าทำด้วยอารมณ์ความสะใจนี้ก็เป็นอารมณ์อย่างนี้อย่าอะไรด้วยอารมณ์ทําด้วยเหตุด้วยผลทําด้วยควา ม, มเมตตาคําถามจากทาง Facebook YouTube ครับ คุณออนอค์เราสามารถนั่งสมาธิโดยรำลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์สมาธิได้ไหมครับเช่นนึกถึงความยากลําบากของพระพุทธเจ้าในการบําเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุธรรมเพราะว่าจิตยังฟุ้งซ่านมากครับหากนั่งดูลมหายใจหรือใช้พุทโธยังทําไม่ได้ครับก็สวดบทพุทธคุณไปดีกว่าอิติปิโสภะกวาอารหังสัมมาไป เพราะถ้าเป็นความคิดของเรานี้เดี๋ยวมันจะสเปดสปะออกไปทางกิเลสได้ถ้าเราไปทางภาษาบาลีภาษานี่มันจะมัดเราให้เราอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกลางไม่ออกไปนอกรูนอกทางถ้าอยากจะคิดถึงพุทธบุญคุณของพระพุทธเจ้าก็ให้สวดบทอิติปิโสไปสวดไปหลายๆรอบก็ได้สวดไปจนกว่าใจเราจะสงบพอที่จะดูลมได้แล้วค่อยกลับมาดูลมต่อ ถามหมดแล้วครับหลวงพ่อม okay. ีใครอยากจะถามอะไ ร, ระะไหมาจ า, าเดี๋ยวขอไมโครโฟนหน่อยเจาไมโครโฟนนะกานพจานค่ะชีปฏิบัติมาได้สักพักหนึ่งเข้าพรรษาที่ห้าค่ะแล้วก็สติกับสมาธิอะค่ะที่เป็นนำพาจิต ไปสู่เป้าหมายนะคะยังไม่สมดุลการปรับระบบยังไม่ชำนาญเท่าที่ควรค่ะจะกราบขอคําแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะคือสมาธิไม่ติดเพ่งบางทีก็เผลอค่ะคแต่สติจะอ่อนไป ค, ค่ะาาสมาธิเราไม่ต้องทำอะไรสมาธิเป็นผลที่เกิดจากการเจริญสติเ<า>ฉะั้นให้เราเจริญสติอย่างเดียวไปเรื่อยๆไม่ว่าจะดูลมหายใจดูร่างกายบริกรรมพุโทโธให้ทำไปแล้วอย่าให้คิดอะไร แล้วในที่สุดจิตก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาถ้าถ้าสติไม่เผลอสติต่อเนื่องเป็นสัมปชัญญะสามารถห้ามความคิดต่างๆได้จิตก็จะนิ่งสงบพอนิ่งสงบเราก็เรียกว่าสมาธิดังนั้นเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องสมาธิให้สนใจเรื่อง ส, ส, องสติเพราะสติเป็นผู้ที่จะทาให้ใจเป็นสมาธิหรือไม่ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นสมาธิถ้าไม่มีสติอย่างต่อเนื่อง แว็บไปแว็บมาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นังนน่งประจาวันตายก็ไม่ได้สมาธิกรขอบคุณพระอาจารย์โอเคสาธุปอยมีเพิ่มไหมคำถามถามต่อคำถามต่อไปจากคุณคุณสัน ควรทำอย่างไรเมื่ออยู่กับแม่ที่นิสัยเห็นแก่ตัวโมโหร้ายเอาแต่ใจตัวเองและต้องการให้เรามีนิสัยที่เห็นแก่ตัวถ้าเราสามารถทำงานหาเงินได้เองเราเลี่ยงไปอยู่ที่อื่นได้ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านช่วยตัวเองท่านได้หรือเปล่าดูแลตัวเองท่านได้หรือเปล่าถ้าท่านดูแลตัวเองไม่ได้มันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทาหน้าที่ดูแลพ่อแม่ของเรา เพราะว่าท่านก็เคยดูแลเรามาก่อนตอนที่เราเป็นเด็กเราอาจจะงองแงท่านก็อยังทนอยู่กับเราได้เหตนั mm ้น hmm. พอท่านโตแล้วท่านงองแงเราก็ต้องทนอยู่กับท่านให้ได้ mm hmm. มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกที่จําเป็นที่จะต้องมีความเมตตาต่อกัน mm hmm. คําถามต่อไปจากคุณชิดนุพงศ์ผมเริ่มปฏิบัติทำมาได้สักสามเดือนแล้วครับมีความรู้สึก ไม่อยากวุ่นวายกับใครแต่ก็กลับโดนคนมองว่าหญิงแต่ผมไม่ได้หญิงผมแค่ไม่อยากคุยไม่อยากคุยมากกว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกให้ปริกวิเวกให้อยู่คนเดียวเพราะการอยู่คนเดียวไม่วุ่นวายมันทำให้ผมภาวนาได้ดีกว่าการที่คุยมากครับผมทำแบบนี้ทําถูกไหมครับก็ถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่มีปัญหาที่เวลาอยู่กับคนอื่นบางทีก็ต้อง มีปฏิสัมพันธ์กันก็ต้องใช้ความเมตตาทักทายกันให้พอรู้สึกว่าเราไม่ได้รังเกียจเขาเนื้ออะไรไม่ใช่เบื้องตึงฉเฉยเมยเป็นแค่อย่างเดียวมันก็ไม่ถูกเวลาเราอยู่กับคนก็ต้องรู้จักการปฏิสันฐานแสดงความเมตตาถามสารทุกข์สุขดิบอะไรไปแต่อย่าพูดมากพูดพอให้รู้ว่าเราไม่ได้มีอะไรกับเขาแล้วก็ขอาะปีกตัวไปทาเรื่องของเราต่อไป คำถามต่อไปจากคุณคุณทัวกราบเรียนถามหลวงพ่อถึงอุบายวิธีคิดปลุกให้กำลังใจตนเองให้เกิดความขยันในการเจริญสติทำสมาธิภาวนาให้มากขึ้นครับก็คิดว่าเวลาของเราน้อยลงไปเรื่อยๆความตายสามารถเข้ามาได้ทุกเวลาเท่านั้นตอนนี้เรายังมีเวลามีลมหายใจอยู่รีบตักตวงผลประโยชน์จากมันเสียตั้งแต่บัดนี้ไป ก่อนที่มันจะสายเกินไปเพราะเราไม่รู้ว่าลมหายใจมันจะหมดเมื่อไหรหยุดเมื่อไรคำถามต่อไปจากคุณนีโอ ปกติเวลาที่เรานั่งเดินในที่เงียบๆนึกพุทโธก็สงบง่ายแต่บางเวลาที่ต้องนั่งรถทางไกลมีเสียงดังการบริกรรมพุทโธพุทโธก็สงบช้าแต่เมื่อเปลี่ยนบริกรรมว่าเราต้องตายซ้ำๆแล้วก็เกิดความสงบที่ง่ายขึ้นครับสามารถทําแบบนี้ได้ไหมครับหรือควรฝึกพุทโธแค่อย่างเดียว๋เปลี่ยนได้วิธีนี้มันไม่ ไม่ได้ประโยชน์ <c oughs> ขออภัย <c oughs> ไม่ได้ผลแล้วอีกวิธีนึงได้ผลเราก็เอาวิธีนั้นได้ทำทัาหมดแล้วครับท่าโอเคทั้หมดแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิษฐ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิ